ب ิ سم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صن على محمد السلام عليكم برحمه الله وبركاته ขอความสันติความจำเริญจากอัลลอฮฺได้โปรดประสบดายพี่น้องผู้ที่มาศึกษาวิชาตับซิดในวันนี้รวมไปถึงผู้ที่ติดตามรับฟังรับชมทุกท่านวันนี้นะครับการอธิบายความหมายก้ออานนะครับจะเรียกว่าตับซิดผมก็ยังอายอยู่นะเป็นการให้ความหมายอธิบายความหมายก้ออาน วันนี้เราอยู่ในสุรยูซุฟกี่อายะเออวันนี้หน 5, 5ึ่งสองสามสี่ห้าห้าอยะนะครับสุรยูซุฟอายะที่สี่สิบเจ็ดถึงอายะที่ห้าสิบเอ็ดุรยุซุภ์นะครับสี่สิบเจ็ดสี่สิบแดสี่สิบเก้าห้าสิบห้าสิบเอ็ดวันนี้ห้าอายะเนื้อหาคร่าวๆ เ, เลยนะครับเป็นการ ทำนายฝันของท่านนาบิยูซุฟอะลัยสสลามไม่ใช่การทำนายอย่างเดียวนะเป็นการแก้ปัญหาที่จะเกิดขึ้นด้วยขอทว น, นิดนึงนะครับย้อนกลับไปนิดนึงเพื่อที่จะเล่าถึงที่มาที่ไปว่าทำไมนยบิยูซุฟถึงได้มาทำนายฝันถ้าพี่น้องดูในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับกษัตริย์ตอนนั้นของอียิปต์ ก็อ่านแค้คำว่ามาลิกยังไม่ใช่คำว่าฟรอ์นะครับสะท้อนถึงนายยะบางอย่างทางการเมืองนะเคยอธิบายไปแล้วกษัตริย์ในอียิปต์ตอนนั้นฝันนะครับอัวทำไมเอ่ยอัวแห้งเจ็ดตัวกินอัวอ้วนเจ็ดตัวนะครับรวงข้าวแห้งๆเนี่ยทำไมเอ่ยก็มากินรวงข้าวที่อุดมสมบูรณ์ตรงนี้พี่น้องเคยจะน่าจะทราบ เรื่องราวมาพอบ้างแล้วนะครับคราวนี้คําถามก็คือว่าเอการทํานายฝันเนี่ยเป็นยังไงล่ะในอิสลามมีมานานหรือยังแล้วก็เป็นที่อนุญาตไหมอาจจะมีคําถามเกิดขึ้นถ้าดูในประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับถ้าไป น, น้องสังเกตเรื่องราวของท่านดบเยูซุปอลัยฮิสซลามการตีความความหมายเนี่ยในสมัยท่านดบเยูซุปมีอยู่แล้ว อันนี้ไม่ได้พูดถึงประเด็นฮาลันฮารอมนะครับพูดถึงว่ามันมีอยู่แล้วเพราะว่าถ้าสังเกตเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนที่มีเพื่อนนบียูซุปที่เป็นชาวคุกสองคนเนี่ยนะฝันแล้วก็เล่าให้นาบียูซุปฟันใครช่วยตีความความฝันก็แปลว่าลักษณะาการตีความแบบนี้น่าจะมีอยู่ในในสมัยนั้นเช่นเดียวกันตอนที่กษัตริย์ฝันแล้วก็เรียกผู้กล้ชิดในก็อาจจะคําคว่ามาละ นะแล้วก็บอกว่าตีความให้หน่อยตัดสินให้หน่อยนะครับว่าความฝันเป็นยังไงก็แปลว่ากษัตริย์ก็ทราบเหมือนกันว่าความฝันน่าจะมีความหมายถ้าไปน้อมไปดูเพิ่มนะครับในในคัพิโตส์นะครับในพันธสัญญากเก่าเนี่ยอธิบายล ะ, ละเอียดเพิ่มมากกว่านั้นก็คือเมื่อกษัตริย์ฝันแล้วอันนี้ในก็อ่านไม่มีนะครับมีในตารองก็ส่งผู้คน ไปรวบรวมคนที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ น, นายทำนายฝันมาแล้วก็ให้ช่วยตีความความฝันก็แปลว่าทําไมเอ่ยการตีความความฝันในสในสมัยท่านอับดยูซุฟเนี่ยพอจะมีอยู่บ้างแล้วแต่อาจจะยังไม่แม่แมนหรือว่ายังไม่เป็นศาสตร์วิชาที่สมบูรณ์นอกเหนือจากนั้นเนี่ยนะครับตอนที่ท่านอับีมุฮัมมัดซอลลัลลอฮุวะซัลลัมเกิดขึ้นเนี่ยนะครับกษัตริย์กุสโซก็ทําไมเอ่ยฝันเหมือนกันก็ให้คนนํามาช่วยทํานายความฝันเหมือนกัน อ่าลักษณะวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมีมานานนะแต่สมัยในมุฮซุัต่อมานะครับคร น, นี้ในะอิสลามเป็นยังไงบ้างนะนักวิชาการคนหนึ่งซึ่งค่อนข้างจะมีชื่อเสียงในด้านนี้ก็คือท่านอิบนุซีรีนเป็นนักวิชาการชาวบัสรอนะครับก็มีหนังสือของท่านเกี่ยวกับการตีความความฝันเหมือนกันนะอา้าวเข่าข้าวเป็นแบบนี้นะครับครัว น, นี้ ฝันไปแล้วนะครับพอกษัตริย์ฝันไปแล้วผมเล่าย้อนนิดนึงก็ถามผู้คนจะเป็นผู้ใกล้กชิดหรือว่าเป็นนักทํานายฝันทั่วนาะจากตามที่บันทึกในตลอดมากันแล้วแล้วก็ถามว่าเอฝันที่ว่าเนี่ยวัวเจ็ดตัววัวอ้วน ว, วัวผอมนะครับรวงข้าวแห้งหรือว่าที่มันเขียวเนี่ยกินกันไปกินกันมาความหมายเป็นยังไงปรากฏว่าไม่มีใครสามารถทํานายฝันได้ คนเหล่านี้ลงความเห็นว่าเป็นอัอลลอฮฺสุอัล์าลามอัลลอฮฺสุอัล์ลามแปลว่าความฝันที่มันปนไปปนมากันหมดถ้าไปนั่งไปดูหนังสือของอิบนุลซิรีนเนี่ยเกี่ยวกับการทำนายฝันเนี่ยไม่ใช่ทุกความฝันจะมีความหมายนะบางอันเนี่ยเป็นแบบนี้เลยอัลลอฮฺสุอัล์าลามเป็นกระบวนการทางสมองที่ปล่อยออกมาเช่นผมอยากกินอา้าวอยากกินขนมมากไม่ได้กินคิดหนุน่นคิดนี่ก็คืนก็นกฝัน หรือว่าในฝันกับเจอหน้าพี่น้องบางคนที่สอนหนังสือวันนี้ไปมาไปเจอหน้าเพื่อนผมในอดีตบนไปบนไปหมดเนี่ยลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นความฝันที่มันมีความหมายนะครับซึ่งตรงกับสิ่งที่พวกโหนในสมัยนั้นลงความเห็นว่าคืออัลลอฮฺสุดอลัลลอมแปลว่าความฝันที่ไม่มีความหมายเป็นกลไการทางสมองปดต่อยออกมาเช่น กลัวมากก็เอาไปฝันเห็นงูก็เอาไปฝันอะไรคิดถึงใครเอาไปฝันเป็นความฝันที่มันมีความหมายนะไม่ใช่ทุกความฝันมีความหมายนะนะครับคันนี้เมื่อตีความไม่ได้แล้วเนี่ยนะครับถามคนนู้นก็ไม่ได้ถามคนนี้ก็ไม่ได้ปรากฏว่าคนที่ตอบได้เป็นคนที่ยืนข้างๆกษัตริย์คนที่ทำหน้าที่เสิร์ฟน้ำรินเหล้านาผลไมให้กับกษัตริย์ก็บอกว่า คนอื่นทํำนายไม่ได้แต่ฉันมีวิธีทํานายฝันส่งฉันไปหาคนคนหนึ่งสิแล้วจะเอาคําตอบมาบอกว่าเป็นยังไงชายคนนี้เคยติดคุกกับท่านนบิยูซุปและท่านนบิยูซุปก็ทํานายว่าวันหนึ่งจะรอดพ้นออกมานะครับกลับมาทําหน้าที่เดิมตัวเองทํำนายไม่ได้แต่ให้ส่งฉันไปหาคนคนหนึ่งแล้วฉันจะเอาข่าวมาบอกว่าความฝันที่ว่าเป็นยังไงเหตุการณ์ก็ดําเนินมาถึงอายาสิในวันนี้ชายคนนี้ก็เดินทางกลับไปติดคุก นะครับไปหาด บ, บียูซุฟอ่าอันนี้เหตุการในอายัดที่สามส็ต่อมานะครับกอลาหลังจากที่เล่าเรื่องราวให้ฟังแลว้วก็ถามด บ, บียูซุฟว่ามันเป็นยังไงกันเนี่ยเนี่ยเหตุการณ์เป็นแบบนี้แล้วจะยังไงดีมีความหมายมีความฝันแบบนี้ด บ, บี้ยูซุฟกลว่ากอลาเขากล่าวว่าตัสซ อ, อูนะ่าให้เพาะปูก ซับบาีนินดอาบันให้พ่อปลูกเจ็ดปีต่อเนื่องกันนี่คือคำพูดนเ บ, บยูซุปนะฟามาฮาสตุมฟาดารูฮูฟีซุนบูลีฮีเมื่อพ่อปลูกเจ็ดปีต่อเนื่องกันแล้วทำไมเอ่ยให้เก็บเกี่ยวผลผลิตตรงนั้นออกมาแต่ว่าฟาดารูฮูฟีซุนบุลีฮีปล่อยไว้ พอเกี่ยวข้าวมาแล้วไม่ต้องสีเป็นเม็ดปล่อยให้มันอยู่ในรวงข้าวของมันอิลากรีลามมิมาตะกูลูเวนเ้นแต่ไอส่วนที่จะกินเอาออกมาได้มต้องกินเยอะนะกินได้น้อยประหยัดประหยัดไว้ส่วนที่ไม่กินก็ปล่อยไว้ในรวงข้าวของมันต่อไปไม่ต้องมาแปลรูปต่อนี่คือคำพูดของอบยูซุฟเดี๋ยวจะอธิบายทีเดียวนะครับซุมมะ หลังจากทำแบบนั้นแล้วต่อไปทำยังไงต่ออยะตีมินบะดีดาลิกะจะมาหลังจากนั้นเหตุการณ์หลังจากนั้นก็คือซาบะอุนชีดาดุนจะมีเจ็ดปีแห่งความร้อนแขน้นก็คืออดอยากยะกุนนามาก็ดําตุ้มเหลาหุนนาเมื่อมีเจ็ดปีต่อมามีความแห้งแล้งเกิดขึ้นแล้วทํายังไงล่ะยะกุนนา ก็กินมาก็ดำตุ้มละหุนนะกินไอ้ของที่เก็บไว้เพราะสั่งไว้แล้วว่าอย่าพึ่งเอาออกมาจากโรงข้าวเก็บไว้ก็กินตรงนั้นแหละนะครับอินลากรีลำบินมาตัวสีนูนนอกจากส่วนน้อยซึ่งท่านจะเก็บไว้กับเก็บไว้ทาพันธ์หมายความว่าเก็บไว้เพาะปลูกต่อไปนะตอนที่บายดีเราสามารถยัติดต่อกันเลยถึงจะเข้าใจ สุมายะตีมิมบัดิซาลิกะหลังจากนั้นไปอีกอ่าเป็นอ้องแมงองนะมีเจ็ดปีแห่งการเพราะปลูกก็เก็บเกี่ยวเอามากินส่วนน้อยสวนที่เหลือเอาไว้ในรวงข้าวหลังจากนั้นจะมีเจ็ดปีแห่งความแห้งแล้งก็กินในสิ่งที่เก็บไว้แต่อย่า ก, กินทั้งหมดนะให้เว้นบางส่วนที่เล็กน้อยไว้ทําไมล่ะเพราะว่าหลังจากนั้นจะมีมาอีกซุมมายะตีมิมบะดิซาลิกะอันนี้อายาที่สี่สิบเก้าละ นะครับสามายาตออธิบายติดกันหลังจากนั้นจะไม่ละ่ะอามุนจะมีปีปีหนึ่งฟีฮิวอซุนนัสเป็นปีที่ผู้คนจะได้รับน้ําฝนก็คือมีฝนตกมีความอุดมสมบูรณ์หลังจากแห้งแรงฮัฟีฮิยะซิรูนและพวกเขาก็จะได้นําน้าผลไม้มีทั้งผลไม้มีทั้งการเพาะปลูกเนี่ยมาคั้นเป็นน้ําเก็บไว้ อ่ะอันนี้คือคําพูดของของนบิยูซุฟนะเห็นอะไรบ้างนาบิยูซุฟถ้บินนอกสังเกตดูตั้งแต่เด็กจนถึงตอนนี้นะฉลาดแล้วก็สุขุมมากอยากอธิบายฝั่งฉลาดยังไงสิ่งที่นบิยูซุฟบอกไปเนี่ยไม่ใช่แค่การทํานายฝันแต่เป็นแผนการในการโดยหารจัดการแล้วก่อทางออกให้กับคนทั้งอาณาจักรถ้าไม่มีนาบิยูซุฟนะ ได้อดตายกันหมดแหละนะเพราะว่าในประวัติเนี่ยเราทราบหลังจากนี้เนยจะทราบว่าความแห้งแล้งที่เกิดขึ้นพี่น้องไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในแผ่นดินอียิปต์กินไปถึงนูน่นที่กานอานที่ที่พี่น้องนะบียซุฟอยู่กับพ่อแปลว่าความแห้งแล้งเนี่ยเกิดขึ้นในบริเวณกว้างโลกตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นก็นไม่รู้นะครับจะไปวิเคราะห์กันต่อกันแล้วแต่นะจนกระทั่งว่าที่กานอานได้มีจะกินต้องส่งพี่น้อง มาขอข้าวที่อียิปต์กินแล้วมาเจอนบดยูซุฟเป็นเหตุการณ์หลังจากนี้พี่น้องก็ทราบอยู่แล้อันนี้เล่าให้ฟังให้เห็นภาพของความแห้งแล้งเกิดขึ้นเต็มไปหมดตอนนั้นเนี่ยไม่มีใครมีกินไอ้เจ็เปีแห่งความแห้งแล้งเนี่ยนะครับมีกินอยู่ที่เดียวอยู่ที่อียิปต์มีกินอยู่ที่เดียวยทําไมละ่ะเพราะนาบดยูซุฟทราบเหตุที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตก็เลยมีการเตรียมการฉะนั้นที่นบดุลยูซุฟพูดเนี่ย สามอาญาเนี่ยไม่ใช่การทำนายฝันน้ามีความหมายยังไงแต่เป็นทางแก้ปัญหาว่าจะแก้ปัญหายังไงนะครับถ้าพี่น้องดูเนี่ยนะความฝันความหมายเนี่ยมันจะเป็นเชิญสั ญ, ส ญ, ญลักษณ์หมดเลยเช่นฝันเห็นวัวนะครับอันนี้เอามาจากตำสิของห อ, งอชุดนะครับวัวก็เป็นเป็นเชิญสั ญ, ญลักษณ์ของการเพาะปลูก อ่าทำไมต้องเป็นวัวล่ะมันให้นมให้ลูกให้เนื้อได้ถ้าเป็นหมาหมาแห้งหมาพร้อมเจ็ดตัวกินหมาอ้วนเจ็ดตัวความหมาก็เป็นอีแบบหนึ่งนะครั้นี้นบิยูซุปที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยมีความสามารถในการเข้าใจว่าความฝานันความฝันที่เห็นเป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอะไรวัวสื่อถึงการการเพาะปลูกนะอ้วนชัดๆสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์นะ แล้วก็วัวกับการ พ, อพอ่อปลูกพ่อปลูกอีกทีใช่ไหมแล้วก็ผอมก็หมาถึงความแห้งแรงรวงข้าวสื่อถึงอะไรเอ่ยสื่อถึงสเบียงนะต้องเก็บไว้ต้องเก็บไว้นะครับแล้วก็อะไรล่ะเจ็ดเจ็ดตัวที่ว่าเจ็ดหวงที่ว่าก็หมายถึงระยะเวลามันเป็นเขาเรียก ว, ว่าเป็นเชิงสัญลักษณ์นะฉะนั้น สิ่งที่นายบิยูซุพูดเน่พี่น้องเป็นการให้ความหมายด้วยและนายบิยูซุพ์ทำได้เหนือกว่านั้นก็คือการให้ทางออกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยนะครับในอายาที่ส9สิบเก้าเนี่ยถ้าพี่น้องดูเหตุการณ์นะอุดมสมบูรณ์นะครับแล้วก็แห้งแรงแล้วก็จะมีฝนตกมา ให้ไอาที่เก็บไว้เนี่ยกลีลามินมาตัวซีนูนกินนะก็จะกินหมดนานดับยุปสั่งไว้เวลาแห้งแล้งมาทีกินจะกินหมดเลยอย่ากินหมดถ้ากินหมดทําไมล่ะจะไม่เหลือไว้เพาะปลูกดังนั้นอิลลากลีลามินมาตัวซีนูนเก็บบางส่วนไว้ไว้เพื่อทําไมล่ะหลังจากนั้นเนี่ยฝนมันจะมาแล้วความอุดมสมบูรณ์จะตามมาจะได้มีพันธุ์ไว้เพาะปลูกวางแผนเนีพี่น้องสามชั้น คนที่ดิลเล่ามาหานับดุยูซุฟเพื่อจะมาถามว่ากษัตริย์ที่ฝันแบบนี้มีความหมายว่าอย่างไงแต่สิ่งที่ได้ไปไม่ใช่แก่ความหมายแต่เป็นทางออกในการแก้ปัญหาสามชั้นพี่นอ้องพราะปูกนะถ้าเจ็ดปียหงความแห้งแห่งความอุดมสมบูรณ์เนี่ยทาไมพาะปูกนะตายไอตอนที่แห้งแล้วนี่ตายไม่มีกินเพราะปูเ่เร็จไม่พอ ทำไมล่ะอยากกินเยอะพอช่วงนั้นเนี่ยทาไมล่ะได้เยอ ะ, ก, ยอะกินเยอะกินเยอะก็หมดไอ้ที่เหลือก็จะไม่มีกินให้กินน้อยแต่เก็บไว้เก็บไว้ทำไมล่ะเพื่อมากินเยอะๆในช่วงที่แห้งแลง้งกินเยอะได้แต่ว่าอย่า ก, กินหมดทำไมล่ะเพราะต้องเหลือไว้ทำพันเพราะปลูกต่อไปนักวิชาการบางคนเช่นตับซีที่ผมใช้ในหน่ชุดบอกว่าเ อ, อน บ, บียูซุปเป็นค น, นแรกซึ่ง นำเสนอการเก็บสเบียงสมัยก่อนยังไม่มีนะอธิบายอาจจะอธิบายตอบแปล ว, ว่าเราอัลลัมนะครับสมัยก่อนเนี่ยเนื่องจากทรัพยากรมันเยอะความอุดมสมบูรณ์ไม่เหมือนปัจจุบนันปลาเยอะพื้นดินเยอะออไอการเก็บสเบียงตรงนี้เนี่ยเก็บล่วงหน้าเจ็ดปีแบบนี้เนี่ยไม่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เพราะอะไรล่ะเพราะก็ไม่มีใครทราบมาก่อนว่าจะมีความแห้นแรง7ปีอาจจะมีเช่นเดูใบไม้ผีเราปลูกไว้เก็บไว้เอามากินไหนกินนึก ด, ดูร้อนอปีต่อปีมีแบบนั้นอาจจะมีแต่ว่าวางแผนเนี่ยล่วงหน้า7ปีปลูกเ็เก็บ7แบบนี้เนี่ยท่านนายบิยูซุกทาเป็นคนแรกไม่ใช่แค่เก็บอย่างเดียวนะครับอันนี้เป็นเรื่องการบริหารการตลาดโดยพี่น้องจะดูการตลาดกันได้มีเวลาขายของถ้าเปรียบเทียบเนี่ยมีทั้งสวนซึ่งทําไมล่ะ ส่วนซึ่งเราสามารถเอามากินได้เอามาใช้จ่ายอ่ามีส่วนซึ่งต้องเอาไปทำทุนต่อเนี่ยเหมือนมเมล็ดพืชทีนน บ, บิยูซุบอกไว้ว่ากินก็อย่ากินหมดนะให้เลหลือไว้พ่อปลูกไอ้ตรงที่ช่วงที่อุดมสมบูรณ์ที่มีทุนเขามายังขายได้เนี่ยกินอย่า ก, กินเยอะให้เก็บไว้ การค้าขายบางทีก็ไม่ทราบจะเจ๊งจะจมวันไหนจะโดนเลื่ที่วันไหนก็ไม่ทราบถ้ามองแบบนี้เนี่ยเป็นเหมือนแผนการธุร ก, กิจแบบหนึ่งเหมือนกันนี่คือนี่คือนายบิยูซุปนะไม่ธรรมดานะครับมองออกหมดเลยทางแกน่นอกจากนี้เนี่ยนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังสะท้อนถึงสุนตุลล้อแบบฉบับขอเลาะก็คือว่าเทอรอตัดว่าอินนามันอุสยุสรอพร้อมกับความลําบากนั้นมีความง่ายได้ ในช่วงที่มีความแห้งแล้งเจ็ปีหลังจากนั้นจะมีฝนตกมาจะเป็นชีวิตจะเป็นโลกจะเป็นอะไรก็แล้วแต่เวลาอ่านอายะก็อ่านอ่านเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอินนามันอุสุยุสรอหลังจากความยากลำบากมันจะมีความง่ายดายให้ความหวังสร้างความอดทนแล้วก็มองไปถึงอนาคตนะครับเขาบอกว่าอายะตรงนี้สะท้อนถึงสุนตุนลลอแบลชบับขอลล้อปะการหนึ่งเหมือนกัน พี่น้องจะไม่ลำบากตลอดไปอดทนอยู่ในความดีความง่ายดายวันหนึ่งจะมาถึงนะ น, นะครับอย่างตัวผมเนี่ยประสบมาเยอะนะไปเข้าวันประสบการณ์ส่วนตัวแต่ละคนผมคิดว่าต่างกันแต่ว่าน่าจะเวาลาเกิดเหตุการณ์แบบนี้แล้วมาอ่านอญญายะนี้จะเข้าใจว่ามันจริงหลังจากความลำบากที่มาพร้อมกับความลำบากเอาเราจะได้ความง่ายดายตามมาอ่ะนพียูซุปบอกไปแล้วทางแก้ปัญหาคราวนี้ ใครนี่มาฟังนาบิยูซุพูดกับใครพูดกับคนที่ลินเล่ากษัตริย์บอกว่าส่งฉันมาหายูซุพสิฉันเจ้าคาตอบไปบอกตอมาหานาบียูซุพนาบิยูซุพก็บอกหมดแต่คนนี้ก็ไปหากษัตริย์ดูดดอรรถวาสแผนการนะคนที่ลินเล่าเป็นคนที่การชิดกษัตริย์ตําแหน่งใหญ่ไม่อาจจะไม่ใหญ่มากแต่ว่าอยู่กับกษัตริย์ตอนที่กษัตริย์ถามเนี่ย ไม่มีใครตอบได้เลยฝันแบบนี้แปลว่าอะไรตอบไม่ได้สักคนไอ้คนนี้เสิร์ฟน้าอยู่ข้างๆตอบได้ไหมตอบไม่ได้แต่อยู่ในเหตุการณ์ทราบว่าใครตอบได้อ่ามันพอดีกันหมดนะครับว อ, วอร์กลันวอร์ลันมาลิกูนะกษัตริย์บอกว่าไงเพรได้แบบนี้แล้วอุตูนีบีฮีจงนำเขามาหาฉันนำยูซุฟมาหาฉัน กษัตริย์เนี่ยมีความทุกข์นะครับเอฝันแล้วตีความหมายไม่ได้เพราะฟังสิ่งที่นาบิยูซุพูดแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ความหมายนะมันเป็นชะตากรรมของคนทั้งอาณาจักรเลยเจ็ดปีนี้ตายกันได้นาะยบนองได้ทางออกแบบนี้ให้ละเอียดเลยจะพาะปลูกจะเก็บอะไรยังไงให้กับทางวิธีเก็บเอามาแล้วอย่าสีออกมาให้เก็บในรวงข้าวให้ละเอียดแบบนี้ทาได้เลยกษัตริย์ได้ยินแบบนี้ ให้นํายูซุปเข้ามาสั่งผู้คนไปก็อ่านเล่าต่อไปในอายะฮ์ที่ห้าสิบครับฟารามายาอาหุรอซูลเมื่อทําไมเออยาอาหูรอซูลรอซูลตัวนี้ไม่ได้แปลว่ารอซูลตัวนี้ไม่ได้แปลว่านาบีนาะมาถึงตัวแทนกษัตริย์ยาหูไปหานาบียูซุปยูซุปอยู่ที่ไหนอยู่ในคุกนั่นแหละนะไอ้คนเล่นเล่าก็มาหาเอาความฝันไปบอกกษัตริย์ ขานิบกษัตริย์พอได้ยินแบบด้านทรงมาเลยทรงมาหานาบียูซุปทําไมล่ะเพื่อที่จะทําไมเอ่ยเอานาบียูซุปออกจากคุกนบียูซุปว่าไงกอนอารยะอิลารับบิกาไม่ออกนะกลับไปหากษัตริย์กลับไปหานายของคุณฟัสอัลฮูมาบาลุนนิสุวตินละตีกบปะหน้าไอเดียหุนน้า กษัตริย์เชิญออกไปแก้ปัญหาน บ, บิยูซุปไม่ออกบอกว่าให้กลับไปหาเจ้านายของคุณก็คือกษัตริย์แล้วก็ให้ถามถึงเหตุการณ์ที่ทําไมเอ่ยผู้หญิงในเมืองสาวๆในเมืองเนี่ยเอามีดเนี่ยเฉือนนิ้วตัวเองเฉือนมือตัวเองเนี่ยให้กลับไปหากลับไปถามเรื่องนี้อินนารบีบิกลยดีฮินนาอาลิม อินนับบีบิกาดหินนาอาลีมแน่แท้ะเจ้าของฉันทาไมเอ่ยทราบถึงกลุนอุบายของพวกเธอเหล่านั้นถ้าอ่านทียรายาจะงงเอ๊ะเขาเชิญมาออกไปแก้ปัญหาอยู่ดีๆก็พูดเรื่องเก่าขึ้นมาทำไมนา บ, บียูซุฟทำทำไมพี่น้องตรงนี้ในแสดงถึงความสุขขุมของนา บ, บียูซุฟติดคุกในติดนานนะติดคุกมานานเสร็จตอนที่อะไรละ่ะ ทำนายฝันให้ว่าไอ้คนลินเล่าจะออกไปเจอกษัตรเนี่ยกระซิ บ, บอกแล้วว่าถ้าไปเจอกษัตริย์ให้พูดถึงเรื่องนี้ปไปมาไอ้คนนั้นก็นลืมลืมยาวเลยพี่น้องนบิยุสุปอยู่ในคุกยาวมากหลายปีมากนะครับลืมจนกระทั่งวันเนี่ยกระสัตรฝันน ะ, นะครับแล้วก็ น, นึกได้ว่าเอ้ยนะบิยุสุปยังมีอยู่เนี่ยที่เคยทํานายฝันเรากี่ปีก็ไม่ทราบนานมาแล้วกลับไปหาดับบิยุสุปนบิยุสุปนบิยุสุปเนี่ยอยู่ใน คุกนานขนาดนั้นเนี่ยวันหนึ่งมีโอกาสออกจากคุกเป็นผมที่ออกแล้วนบิยูซุฟไม่ออกตรงนี้นายบิโนมี hadis ท่านนาบิ ม, มุมัดมุตตะฟกุลอะไรนะะหะ hadis สาเฮียนาะท่านนาียบอกว่าเราละบิสตูมาลาบิซายูซุฟถ้าฉันอยู่แบบยูซุฟนบิมุมัดพูดเองนะสาเฮียด้วยถ้าฉันอยู่แบบยูซุฟนะฟิสซิเจนีอยู่ในคุกเนี่ยและอยับตุดได้ถ้ามีคนมาเรียกร้องให้ฉันออกนบิบอกฉันก็จะออก แต่นบียูซุฟไม่ออกถ้าพี่น้องมองนะไม่ใช่แค่ฉลาดแต่มีความสุ ข, ขุมไม่ออกไม่ออกนี่ไม่ใช่เล่นตัวนะเอยถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในอดีตให้ไปสอบสวนสิว่าสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ผู้หญิงในเมืองเอามีดเฉือนมือตัวเองเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเห็นอะไรบ้างตรงนี้หนึ่ง นะครับน บ, บียูซุปปฏิเสธข้อเสนอออกจากคุกจนกว่าตัวเองจะบริสุทธิ์ตอนที่กษัตริย์เอาน บ, บียูซุปออกจากคุกเนี่ยกษัตริย์ไม่ชัดเจนเอายูซุปออกจากคุกทําไมผมติดคุกอยู่เนี่ยมาเชิญผมออกจากคุกออกทําไมหนึ่งออกเพราะว่าต้องการช่วยเหลือเอาไปใช้ประโยชน์แบบนี้เรียกว่าชาฟา ส อ, ออกจากคุกหรือว่าพ่อเขาบริสุทธิ์อยู่ในคุกโดนแสร้ายวันนี้บริสุทธิ์แล้วออกจากคุกวันนี้ให้ยูซุปออกจากคุกออกทําไมอกากษัตริย์ยังไม่ชัดเจนแต่ในบียูซุปชัดเจนถ้าวันนี้จะออกจากคุกเพราะว่าตัวเองมีความสามารถแล้วกษัตริย์ดึงไปช่วยงานแบบนี้ไม่ออกจะออกต่อเมื่อบรออะตัวเองมีความบริสุทธิ์เท่านั้นถึงจะออก พี่น้องที่ ด, ดูนี่คือนาบิยูซุปนะจริงๆไม่ต้องไปสุดก็ได้มีความผิดก็ได้ก็ออกได้เหมือนกันก็คือทำไมล่ะมีความสามารถไงออกไปช่วยงานกษัตริย์แก้ปัญหาบ้านเมืองนาบิยูซุปไม่เอาต้องการที่จะพิสูจน์ตัวเองก่อนอัวบริสุทธิ์ถึงจะออกไปได้นี่คือจริยธรรมของนาบิยูซุปก่อนที่จะรับตาแหน่งใหญ่ในการเดืหารเนี่ย ในการดูแลบ้านเมืองเนี่ยนบียูซุปมีมีจริยธรรมนะปัจจุบันการเมืองต้องมอ ง, มองนบียูซุปไม่ใช่มีความสามารถแล้วก็จะทํากระดานนะตัวเองต้องบริสุทธิ์ก่อนแล้วก็ออกไปทํางานความสามารถไม่มีแต่ว่าถ้ายังไม่เบิสุทธิ์ดยมีข้อกล่าวหา ท, ทั้งทั้งที่ตัวเองไม่ผิดแต่คนเข้าลือกันว่าแบบนั้นแบบนี้เป็นฟิตรนะถ้าไม่เคลียร์ขาวไม่ออก บอกตัวแทนเนี่ยตทั้งที่รอมากี่ปีเป็นสิบปีพี่น้องกลับไปหากษัตริย์ไม่ออกให้ไปสืคดีกัาก่อนถามซิมันเกิดอะไรขึ้นเหตที่ฉันมาอยู่ในคุกนอกจากมีปัญญาแล้วยังมีความสุ ข, ขุมนะครับนอกจากนี้เนี่ยยังมีฮิกมาาเยอะพี่น้องทีนนบีซุปทาแบบนี้มองหลายสเต็ปมากหลายขั้นตอนมากถ้าวันหนึ่ง อ, อจะคุปไปโดยคดียังไม่เคลียร์นะ ผิดจริงไม่ผิดจริงใครปั่มใครใครยัว่วยวนใครยังไม่ทราบแต่ยูซุปออกจากคุกและได้ดีได้ดีในอนาคตก็สามารถเป็นช่องว่างให้คนเนี่ยที่อิจฉามาโจมตีได้รู้ไหมใน ย, ยูซุปที่อยู่กับกษัตริย์เนี่ยเคยมีคดีนะยัวยวหญิงจริงไม่จริงไม่รู้แต่มันดิสเครดิตมันทําลายชื่อเสียงกันได้ปัจจุบันก็ทํากันแบบนี้พี่น้องนักการเมืองเนี่ยเวลาจะเล่นกันเห็นจะทำให้่ายตรงข้ามดูไม่ดีก็เล่นประเด็นส่วนตัว ประเด็นไหนง่ายที่สุดประเด็นชู้สาวพี่น้องแต่ผมสมัครสมมุติคณะกรยศาสซร์นะสมมตุติไม่ไม่เป็นสมัครเราพูดถึงจะสมัครปุ๊บพี่น้องจะโจมตีผมฝ่าตรงข้ามโจมตีเรื่องไหนเรื่องชู้สาวง่ายกว่าเพื่อนเพราะว่าไงชู้สาวมันไม่ชัดเจนสืบก็ไม่ได้แค่มีข่าวออกมามันก็เสียแล้วถามหมอศีนาไม่หมอศีนาแต่ว่ามิกิ๊กหลายคนจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้แต่เสียไม่เสียภาพออกมาเสียฉะนั้นประเด็นชู้สาวเนี่ย ใช้ทำลายคนเยอะในวงการพี่น้องมาดูอัลวัอิบรอฮิมเนี่ยที่มาเลเซียแต่ก่อนมันแข่งกั น, กนทักอามิโ น, โนแพ็คพาสใช่ไหมรัฐบาลกับอะไรล่ะกับฝ่ายค้านพอจะดิสเครดิตฝ่ายค้านหาว่าอัดโทรดาเด็กผู้ชายอ้าวจบจริงมาจริงไม่รู้แต่เข่าวออกมาเสียไหมเสียประเด็นยูสาวใช้ทําลายกันได้นาะบียูซุปป้องกันเลยถ้าวันนี้ออกไปทั้งๆ ท, ง ท, งที่ยังไม่บริสุูต์ ทั้งที่ตัวเองไม่ผิดนะแต่ยังมีข้อข้อหาแบบนี้ในอนาคตคนเอามาทิมแทงได้ประเด็นชูสาวง่ายกว่าเพื่อนจะทําลายใครี่นอกทําลายประเด็นชู้สาวไม่ได้แนะนํานะแต่พูดไปถึงพูดใ ห, ให้ฟังว่าเขาเล่นกันแบบนี้เดีย๋ยวว่าแต่ว่าการเมืองวงการเนี่ยมูซิมเราเวลาจะว่าใครให้เสียเนี่ยชูสาวง่ายๆนะครับเห็นไปเดินคนนั้นใครละ่ะไม่รู้แต่เห็นเดิน อ่าผู้หญิงเมียไม่ไม่รู้ไม่น่าจะใช่ไม่ต้องมีข้อมูลชัดๆเลยสร้างภาพสุดท้ายคนเชื่อไหมคนเชื่อจริงไม่จริ ง, ไ ม, รงไม่รู้แต่ว่าเสียเน บ, บิยูซุบไม่ออกจากคุกประเด็นนี้ต้องเคลียร์ก่อนอ่านี่คือเน บ, บิยูซุบอะลัยฮิสซาลามสุ ข, ขุมแล้วก็มองการไก่คราวนี้เกิดอะไรต่อมานะครับเน บ, บิยุสุบกล่าวต่อไปว่าหลังจากผู้เหตุการณ์ตรงนี้แล้วพี่น้องทําไมถึงบอกว่า ให้ไปถามผู้หญิงในเมืองเรื่องที่อามีดเฉียนมือทําไมไม่กลับไปถามสุไลคอโดยตรงอ่าคําถามเพราะว่าเหตุมันนบิยูซุปสุไลคอใครยั่วยวนใครใช่ไหมทําไมไปถามสุไลคอโดยตรงละ่ะไปถามผู้หญิงในเมืองทําไมตรงนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าความฉลาดของนบิยูซุปถ้าถามเจ้าตัวมิซ่าสวยคอจะว่ายัางไงแต่ผู้หญิงในเมืองเป็นประจักษ์พย า, ยานทั้งหมด เป็นเรื่องที่รู้กันดีในเมืองสาวสาวก็าบกันหมดเหตุการณ์นายวิวซุปหล่อมากโซยารคอเดินเชิญไปที่บ้านแล้วก็เอามีดเฉือนมือตัวเองทุกคนมีประสบการณ์ตรงนี้หมดเป็นพยานได้อย่างดีในเหตุการณ์ตรงนี้ฉะนั้นไม่ต้องถามโซยารคอโดยตรงแต่ผู้หญิงทั้งเมืองเป็นพยานในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นพยานยังไงล่ะเพราะทําไมผู้หญิงถึงถูกป้งย้อนกลับไป ทำไมผู้หญิงเหล่านี้ถึงอา ม, มีดเฉิญมือตัวเองก็เพราะว่าในงานเลี้ยงหนึ่งสุไลคอทําไมเอย่ยเชิญผู้หญิงเหล่านี้ไปแล้วให้นบิยูซุปออกมาตกใจในความงามของนาบิยูซุปอา ม, มีดเฉิญตัวเองเอา้าวถามย้อนกลับไปอีกแล้วสุไลคอเชิญผู้หญิงเหล่านี้มาทําไมก็เพราะว่าข่าวที่ว่าสุไลคอยู่ยวนเด็กในบ้านตัวเองลือไปถึงผู้หญิงทั้งเมืองฉะนั้นเรียกผู้หญิงทั้งเมืองมามาจัด ก, การปัญหาตรงนี้ นบียุซุฟพูดประโยคเดียวสิ่งที่เกิดขึ้นให้ไปถามผู้หญิงในเมืองใครก็ได้ไปถามทราบกันหมดพอถามแล้วเนี่ยบ่มต่างๆคดีเก่าๆเนี่ยฟื้นคดีขึ้นมากลับไปหมดเลยทําไมเกิดแบบนี้ล่ะอ๋อเพราะแบบนี้อา้าวแล้วทําไมเป็นแบบนั้นนะเพราะแบบนี้สื่อไปถึงสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างนาบียุซุฟกับกับสุไลคอนี่นบียุซุฟฉลาดนมะ่ฉลาดล้าลึกมากไม่โจมตีโดยตรงถามปัญญาเอาใครก็ะดัในเมืองมีคนทราบ ฉะนั้นผู้หญิงในเมืองนี้ทำไมเอ่ยเป็นเขาเรียกว่าถ้าทางทางกฎหมายนะเป็นประโยชน์ต่อตูปคดีของนาบียูซุปทีนน้องนึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงขณะนะนึกภาพผมติดคุกมาสิบกว่าปีมีคนมาออกจากคุกนะไม่ออกแต่ว่าชัดเจนประเด็นออกเพราะอะไรโดยสุดหรือว่า แล้วการช่วยเหลือสองวิธีที่จะจัดการให้เรื่องนี้มันบริสุทธิ์ทํำยังไงบ้างไม่สืบสลายขอโดยตรงแต่ให้ไปสอบถามผู้หญิงทัเมืองเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงระยะเวลาสั้นๆมีคนมาถามว่าดุยูซุฟออกจากคุกกษัตริย์ต้องการตัวนบิยูซุฟตอบแบบนี้ไหวพริบปัญญาความสุ ข, ขุมนบิยูซุฟมีทุกอย่างเลยนะครับไม่ใช่นายบิคนอื่นไม่ฉลาดนะแต่พอเอิญนบิยูซุฟเนี่ยรายละเอียดมันเยอะ เวลาเรามองเหตุการ์แล้วเห็นชัดเจนและก็น บ, บีซุปปิดท้ายอายาที่50ว่าอินนรอบบีบิกดีฮินหน้าอาลิมพระเจ้าของฉันเนี่ยทราบดียิ่งในแผนการของพวกเธอพวกผู้หญิงเหล่านั้นน บ, บียุซุไม่ได้พูดตรงๆว่าใครผิดฉันถูกนะไอ้พวกนั้นผิดใส่ร้ายฉันไม่ได้พูดให้ไปถามเอา แสดงศรัทธาตัวเองว่าทําไมเอพระเจ้าของฉันทราบในสิ่งต่างๆสิบกว่าปีที่ผ่านมาไม่มีใครทราบเลยตัวเองอยู่ในคุกแต่อัลลอฮฺทราบนี่หนึ่งเป็นการแสดงความนอบ น, อน้อมทนตนฉันไม่ได้เก่งแต่พระเจ้าว่าฉันทราบสองแสดงจุดยืนตัวเองนะครับว่าฉันมีศรัทธาต่อพระผูเป็นเจ้าต่อไปเวลาเผยแพร่เนี่ยทําไมล่ะมันจะได้ไอ้นั่นมีน้ําหนักในการเผยแพร่และเบยูซุบแสดง อัตลักษณ์ตัวเองจุดยืนตัวเองนะตอนที่จะทํำลายฝันให้กับชายสองคนที่อยู่ในคุกบอกว่าวิชาทํำลายฝันที่มีพระเจ้าฉันสอนฉันวันนี้ต้องการจะพิสูจน์ความป็นพิสูจน์ตัวเองพระเจ้าของฉันทราบในสิ่งที่เกิดขึ้นทราบในแผนการของเธอแสดงจุดยืนว่าฉันเป็นคนมีศรัทธานะต่อไปจะเผยแพร่มันก็จะได้สอดคล้องกับสิ่งตัวเองยึดถือ สรุเลยคำพูดที่นบิยุสพูดทุกพยางเนี่ยมีความหมายและกัลลังลึกหมดก็อ่านใ้เป็นคำพูดอลาล้อนะตาล้อเล่าให้ฟังว่านาบิยุซุพูดว่าอย่างไงบ้างามาดูอายะสุดท้ายในวันนี้อายะที่ห้สิบอ็ดก็แหละเหตุการณ์เนี่ยทาไมแต่ไปถึงกระสันแล้วเมื่อกี้ระหว่างนาบิยุซุกับกับเขาเรียก ว, ว่า ตัวแทนกษัตริย์ส่งมาที่คุกมาเอายูซุปออกยูซุปไม่ออกบอกให้การทั้งหมดเสร็จคนที่ส่งมาก็ต้องกลับไปราย ง, งานกษัตริย์ก็ละ่ะกษัตริย์กล่าวว่ามาคอตบุกุลมาคอตบุกุลนนะมาคอตบุกุลนนะ่เรื่องราวของพวกเธอเป็นยังไง อิสราอิตุนนายูซุฟ่อันนับซีฮเมื่อ mm hmm. ทำไมเอ่ย mm hmm. พวกเธอทำการยั y y mm ่วยุนยูซุฟตอนนี้ในเหตุการณ์คำพูดตรงนี้เกิดขึ้นในสถานการณ์ไหนสถานการณ์ที่ว่ากษัตริย์ไปเรียกผู้หญิงในเมืองมาทั้งหมดเลย mm hmm. แล้วก็ทำการสอบสวนตามที่ยูซุฟบอกกษัตร mm ิย hmm. ์ในหัวกษัตริย์คิดอะไรอยู่หนึ่งมันมีปัญหาที่จะมาแล้วเนี่ย ไม่ใช่ปัญหาเล็กน้อยชู้สาวนะปัญหาคนจะอดตายทั้งเมืองอดอยากทั้งเมืองคนแก่ตอนนี้มีคนเดียวอยู่ไหนอยู่ที่ยูซุฟอยู่ในคุกเชิญออกมาก็ไม่ออกนอกจากพิสูจน์ความบริสุทธิ์ตัวเองกษัตริย์ก็ทำการฟื้นคดีแล้อยดผู้หญิงมาทั้งหมดเลยก่อล้มาคอดบุคุณนะ้าอันนี้พูดต่อหน้าผู้หญิงนะอะไรคือเรื่องราวของเธอมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย ยูซุปบอกกับฉันว่าให้ไปถามผู้หญิงในเมืองทั้งหมดเลยเนี่ยกษัตริย์ก็ทําตามเพราะงั้นยูซุปไม่ออกลื้อฟื้นให้ความยุติธรรกับยูซุปอีกครั้งหนึ่งกี่ปีกันไปทราบพี่น้องสิบกว่าปีผ่านมาแล้วเนี่ยอิสราอวัดตุน่ายูซุฟ่าอันนับสี่เมื่อพวกเธอทําไมเอ่ยยั่วยุนยูซุปถามผู้หญิงในเมืองเหตุการณ์เป็นยังไงนี่เหตุการณ์เลยพี่น้อง เป็นเหตุการณ์ที่ลือลั่นเลยนี่พามาหลายปีคนลืมไหมไม่ลืมงามขนาดนั้นแล้วทุกคนเนี่ยไม่รู้เป็นแพทเป็นทินิ้วไหมก็ยังมีร่องรอยที่ว่าครั้งหนึ่งเคยตกตกใจกับความงามของยูซุปจนกระทั่งมีดบาดมือตัวเองวันนี้พอกษัตริย์มาถามทุกคนยังทราบกันดีนะครับกุลนหน้ากษัตริย์ฟื้นคดีสอบถามกับผู้หญิงในเมืองทั้งหมดกุลนหน้าพวกเธอก็กล่าวว่า หาชาลิลลาฮิขอความคุ้มครองจากพระเจ้ามาลินาอะไรฮิมินซูเราเนี่ยผู้หญิงในเมืองพูดทั้งหมดนะเราไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยไม่ทราบว่าเขามีความชั่วอะไรก็คือตัวเราเองไม่เคยพบว่ายูซุมีความผิดตรงไหนถามว่านบยูซุติดคุกผิดเพราะอะไร หนึ่งที่ลือกันว่าสุไลคอพญาขอซิทยุ ย, ว, ย, ว, ยวนอบดยูซุปผู้หญิงด้วยกันก็ทราบกันดีหัวใครยัวรย่วใครไม่งั้นสุไลคอจัดงานเรื่องน้ไม้เชิญผู้หญิงน้นเมืองไปทั้งหมดแล้วก็ไปดูยูซุปเนี่ยทาแบบนั้นผู้หญิงก็ทราบดีว่าใครทําใครใครจะปั้มใครผู้หญิงด้วยกันก็ดูกันออกพอดีผู้ชายไปไม่ทัน ฉะนั้นเรื่องปั๊มไม่ปั๊มเนี่ยแม้กระทั่งไม่มีพยานเสื้อขาเสื้อไม่ขาดถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยอาซิสที่เป็นเป็นสามีสุดาคอเนี่ยตามไม่ทันนะต้องมาดูเอสเสื้อใครขาเสื้อไม่ขาดต้องดูพยานดูหลักฐานแต่ผู้หญิงด้วยกันดูกันออกพี่น้องนะเป็นผู้หญิงน่าจะทราบดีดูกันออกนะครับไม่ต้องพูดเยอะผู้หญิงในเมืองไม่ใช่คนเดียวนะแต่คนเดียวอาจจะบบบางคนเกลียสุดาคอใส่ลายสุดาคอทั้งเมืองเลยดูกันออกยูสุบคดีนั้นยูซุบไม่ได้ผิด นอกจากนี้เหตุการณ์ที่ว่า ม, มีดบาดมือเฉือนมือตัวเองผู้หญิงท่าเมืองอามีดเฉือนมือตัวเองเพราะตกใจความงานดะบิยูซุปเนี่ยยูซุปผิดไหมยูซุปไม่ได้ผิดงานเลี้ยงสซไลคอจัดขึ้นแล้ว็ะบิยูซุปออกมาดบิยูซุปยั่วใครไหมไม่ยั่วลักษณะท่าทางเนี่ยหลังจากถ้าเป็นผมเนอะผู้หญิงท่าเมืองหลงผมขนาดนั้นมันดีใจไหมใจสัน่นใช้ประโยชน์เอาเข้าหาคนนี้ก็าหาคนนู้นนียูซุปไม่ได้เข้าหากันเลย เข้าที่ไหนเข้าคุกอย่างเดียวเอาตัวเองออกจากฟิตนานสตรงนั้นฉะนั้นยูซุฟผิดตรงไหนมาอลิมนาอะไรฮิมินซูเราไม่เคยเห็นเลยว่ายูซุฟมีความผิดอะไรผู้หญิงนั้เมืองพูดแบบนี้นะครับกอลัตแล้วก็มีผู้หญิงคนหนึ่งกล่าวว่าคือใครเอ่ยอิมราตุนอาซีสซูไลคอนี่แหละภรรยาของอาซีซกอลัต กล่าวว่าแต่เวลาอ่านก็อ่านวัซซอนนะกอลติมรอตุนอาจีสอ่านวัซอนก็มาแต่อ่านแยกกอลติมรอตุนอาจีสส่วนข้อกล่าวว่าอันน่ะฮัสฮัซอนฮักกุฮัสฮัซอนไปมานะอิสตากอร์อัลาบัตตความจริงได้ประจักษ์แล้วส่วนข้อพูดเองนะความจริงได้ประจักษ์แล้วอันะเราวัตตุ้ฮู อันนับสี่ฮีฉันนี่แหละยวยวน ย, ยูซุฟเองอินนาฮูลบินสซอดีกินแน่แท้ยูซุปเขาคนนี้ทำไมเอ่ยเป็นคนหนึ่งจากบรรดาผู้ศัก์จริงเป็นซอดีเป็นผู้ที่พูดความจริงนี่คือการสืบคดีมีทุกอย่างตอนนี้ยูซุปติดคุกยูซุฟผิดตรงไหน คนถ้าเมืองบอกยูซุปไม่ได้มีความผิดอะไรนอกจากนี้คู่กรณียอมรับโดยกับตัวเองนาะงสุลคอร์บอกว่าที่เกิดขึ้นฉันนี่แหละฉันทำเองฉันยั่วยวนยูซุปเองจบเลยปิดคดีเพราะว่ามันมีโจทย์จำเลยใช่ไหมอะไรโจทย์บอกว่าที่ที่ใส่ร้ายเนี่ยจำเลยเนี่ยไม่จริงหรอกฉันผิดเองยอมรับ้วยตัวเองพยานหลักฐานก็พร้อมนะครับ ยูซุปเบอริสุดนี่แหละนะครับนอกจากนี้ทําไมเออยังบอกว่ายูซุปนั้นทําไมเออยเป็นหนึ่งจากบรรดาซอดีกีนนี่เป็นลักษณะนหนึ่งของท่านเนบิยยูซุปอลัยฮิสซาลาหผมแถมอีกนิดหนึ่งนะครับนบิย์ูซุปเป็นผู้ที่มีความส่อสัต์นอกจากความฉลาดที่เราเห็นแล้วเนี่ยผมมาตอที่บายเยอะพี่น้องจะเห็นว่าฉลาดขนาดไหนนะครับฉลาดตั้งแต่เด็กมีความสามารถไม่ใช่หลอขออ้างนอกกันเดียวนะข้างในในหัวก็ไม่กลวงด้วย มีทั้งปัญญาและความสุ ข, ขุมในบียูซุปเป็นคนที่สัตว์จริงเนี่ยไม่ได้ยอตัวเองแต่ทุกคนเรียกในบียูซุปสุไลคอที่มีคดีกันในยูซุปเนี่ยวันนี้ยอมรับยูซุปคือซอร์ดิกเป็นหนึ่งจากซอดิกีนผู้ที่พูดความจริงนอกจากนี้ถ้าพี่น้องกลับไปที่อายะที่สี่สิบหกเนี่ยนะครับไม่ต้องกลับเราผมเล่าให้ฟังกันได้คนที่ลินเล่ากษัตริย์เวลาไปหายูซุปเนี่ย ไออยู่สซิดดิกเรียกน บ, บิยุซุบว่าโอ้ซ oh, ิดดีกซิดดีกแปลว่าผู้ที่เชื่อเขาเรียก ว, ว่าผู้ที่ซื่อสัตย์อย่างยิ่งซิดดิกเนี่ยเป็นฉา ย, ยาของท่านอับูบัคซิดดิกขลิฟะคนที่หนึ่งซาบะที่ก้าวชิกน บ, บียุสุบอซิดดิกนบิยูซุบก็มีลักษณะตรงนี้เหมือนกันแถมคนที่ตั้งเนี่ยไม่จะฉันตั้งตัวเองนะยุซุบไม่ได้ตั้งตัวเองแต่คนที่อยู่ร่วมกับยุซุบตั้ง ส่วนไอคอตอนซื้อนบียูซุปมาตั้งแต่เด็กโตเป็นหนุ่มจนกระทั่งหลงรักตลอดชีวิตที่สูจน์ยูซุปคือซอดิคบอกยูซุปคือผู้ที่พูดความจริงเพื่อนที่อยู่ในคุกตั้งหลายปีแล้วก็วันหนึ่งพ้นจากคุกค้นไปแล้วลืมนบียูซุปไปแล้วและกลับมาวันนี้ก็ยอมรับว่ายูซุปคือไอยุทธสิ ด, ดีิคือคนที่ซื่อสัตย์พูดความจริงฉะนั้นความดีนายพี่น้อง มนุษย์จะเป็นพยานโมเลก้าเป็นพยามอฟ่าตฟ้าพี่น้องพี่น้องเรามาทําดียังไงแต่มนุษย์เนี่ยจะเป็นพยานบนหน้าแผ่นดินตอนไหนละ่ะตอนที่พี่น้องตายเนี่ยคนตายไปยังไงคนมาละหมาดพูดเหมืนเสียงเดียวกันดีมากไม่เคยโกรธใครไม่เคยด่าใครมนุษย์เป็นพยานบนหน้าแผ่นดินพี่น้องความดีเนี่ยนะเรามาดองชมตัวเองเหรอกยังมีคนชม เนี่ยคนที่รู้จักเราจริงเนี่ยเหมือนสุดไลคอรู้จักยูซุปจริงเพื่อนที่อยู่ในคุกรู้จักยูซุปจริงไม่ต้องชมตัวเองความดีเห็นคนอื่นก็พูดเองนะครับนี่คือหลักฐานยืนยันว่ายูซุปเมตนาคืออัสซิดะปูนะทั้งซอดิกแล้วก็ซิดดีซิดดีในความหมายยิ่งกว่าซอรดิกอีกเป็นผู้ที่สัตว์จริงอย่างยิ่งลักษะนหนึ่งก่อนท่านเรียูซุปอะลัยอิสลามย่อตัวเองว่าไม่มได้ย่อคนอื่นพูดนะผู้านเรียูซุปเป็นแบบนี้ ข่าวๆประมาณนี้นะครับผมทวนนิดนึงในช่วงท้ายของเวลานะครับออวันนี้เนี่ยเราศึกษาอธิบายก็อ่านนะครับ Surah y u s อายะที่47ถึงอายะที่51ความหมายข่าวๆเนี่ยเกี่ยวข้องกับการทำนายฝันคนยูซุปแต่พี่น้องจะเห็นเมื่อกี้แล้วว่าไม่ใช่แค่ทำนายให้ความหมายแต่วางแผนทั้งหมดเลยละเอียดอ่อนมีทางออกแล้วก็ปฏิบัติได้จริงนะ ผมเชื่อมโยงไปในสัปดาห์นู้นอาจารย์ย่าสอนนะครับว่าก่อนจะมาถึงการทํานายฝันเนี่ยความฝันมันมาอย่างไงนะและก่อการทํานายฝันเนี่ยมีมานานแล้วแต่ว่านาบิยูซุปเก่งกว่าเพื่อนทาไมละ่ะอัลลอมั น, นีนรอบบีอัลลอฮ์สอนฉันนี่เป็นของแท้คนอื่นก็อาจจะประมวลเอานะครับใช้หลักสถิติเช่นคนไทยเนี่ยฝันเห็นงูเจอเนื้อคู่อาจจะไปถามว่าก่อนจะแต่งงานเจออะไรบ้างเห็นงู เเห็นวัว 30% เอซนก็เลยสรุปเป็นหลักการส่วนมากว่าอ๋อได้เห็นงูเนี่ยเปอร์เซ็นต์เยอะว่าจะเจอเน้อคู่อา้าวอาจจะเป็นแบบนี้ใช้าการสังเกตใช้ประสบการณ์แต่ในมิยูซุปอลัลลอสอนโดยตรงนะครับนะครับนี้เนื้อหาตรงนี้ในพี่น้องวันนี้ห้าอายาี่ิ็ดถึงห้าิเอ็ดนี่ยนะครับสามอายาแรกเป็นการทำนายฝันของในบิยูซุป4ี่8ิบเจ็สี่ดี่ิบ้า นบิลซุปให้ทางออกกับคนทั้งเมืองนะจริงๆแล้วแผนของในบิลซุปไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะคนในอียิปต์ทํานั้นที่มีกินเท่านั้นในในเจ็ดปีความแห้งแลง้งคนที่อื่นในช่วงนั้นก็เดินทางมาที่อียิปเพื่อมาขอสเสบียงอียิปจะเป็นคือที่ที่มีกินที่สุดท้ายในแผ่นดินแล้วตอนนั้นเนี่ยอดหมดปูกันไม่ขึ้นอดอยากเจ็ดปีเนี่ย ปีนึงไม่ไปแรนะพี่ น, อน้องพี่น้องตกงานปีหนึ่งเนี่ยยังพอมีเงินนะเงินเก็บเอาดูแลนี้มาใช้พี่น้องตกงานเจ็ดปีเดืไม่มีกินอันนี้เพราะปลูกสะเบียงไม่มีเลยเจ็ดปีไม่มีใครมีเลยเหลือแค่อียิปต์ที่มีกินฉะนั้นประโยชน์ที่นาย บ, บิยูซุปสร้างไม่ใช่เฉพาะคนอียิปต์แต่เป็นคนข้งนอกที่เราทราบง่ายคือว่าพี่น้องจากปาเลสไตน์เนี่ยจากการอ่านพี่ น, อ น, น้องนบิยูซุปมาขอสเบียงแล้วก็นในช่วงที่มาขอสเบียงก็มีคนมาทําแบบนี้เยอะแยะไปหมด ก็แปลว่าอียิปต์ในตอนนั้นแจกสัมเดียรให้กับคนอื่นด้วยอ่านะครับนี่คือผลงานท่านนายบิยูซุปนอกจากนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่แค่เอาตัวรอดในช่วงเจ็ดปีอย่างเดียวแต่ว่ามีการต่อ ย, ยอดเก็บบางส่วนไว้ฝนมันจะมาถึงใจนั้นคนที่มีความสามารถพี่น้องพอถึงเวลาวันหนึ่งจะมีโอกาสได้ใช้ความสามารถอยู่ในคุกจนคนลืมเพื่อนยังลืมเลยพี่น้องแต่พอถึงวันหนึ่งจะมีความสามารถจริงๆ เราจะได้ใช้ความสามารถนะครับดูตัวอย่างท่านนาย บ, บิยูซุกไว้ต่อมาในอายะที่ห้าสบห้าบเอ็ดนอกจากมีความสามารถมีปัญญาแล้วในอายะที่ห้าสิเราเห็นความสุ ข, ขุมของท่านน บ, บิยูซุกสุขขุมมากนะฮะดิสมุตตะภกุณอะไรเนี่ยนาย บ, บิมวันบอกถ้าเป็นชั้นช้นออกแต่ยูซุกไม่ออกต้องให้ชัดเจนออกวันนี้เพราะชาฟะะ ห, หรือว่าบาระะชาฟะะคือการช่วยเหลือ คนที่มีความสามารถมีอำนาจเช่นกษัตริย์ช่วยเหลือคนคนหนึ่งได้พ้นโทษออกมาทำผิดแท้ชฟาอ้านานเป็นความเมตตากษัตริย์กษัตริย์ช่วยส่วนตัวเนี่ยยูซุฟไม่เอาต้องเป็นบอ้อออกจากคุกเพราะความบริสุทธิ์ในบยูซุฟเรียกให้ฟื้นคดีทั้งหมดวิธีการฟื้นคดีก็เย็บโยนพี่น้องไม่ถามเจ้าตัวโดยตรงถามผู้หญิงใครก็ได้ในเมืองเอามาถามทั้งหมดนี่คือท่านนียบซุฟ ในอายะห์ที่ห้าสิบเอ็ดถึงตรงนี้แล้วนบียูซุตเบริยุสุ ด, สดผู้หญิงทั้งเมืองพูดเป็นเสียงเดียวกันมาอลิมนาอะไรยฮิมินซูเราไม่เคยพบไม่เคยทราบว่าเขามีความผิดมีความชั่วอะไรเท่านั้นไม่พออิมราตุนอาจีสนาสุไลคอซึ่งเป็นคู่กรณีพูดเองว่าวันนี้ทำไมเอ่ย อัา น, น่าวัตตูหูอันนับสี่ิีฉันนี่แหละยู่ยวนเขาเองฉะนั้นวันนี้ w บเยูซุเป็นบารีอะเป็นผู้บริสุทธิ์ในสังคมจะมีใครสนใจเนี่ยตรงนี้เหมือน w บเยูซุไม่มีนะจริยธรรมเนี่ยดับยูซุอันดับหนึ่งเลยผลประโยชน์มีไม่เอาโอกาสมีไม่เอาบริสุทธิ์ก่อนถึงออกไปสร้างประโยชน์ หลังจากนี้เนี่ยมีซุปเก็จะออกไปทำประโยชน์ได้กับสังคมละนะครับช่วยบริหารบ้านเมืองเนี่ยทำให้คนไม่อดตายเนี่ยผลงานตัวนี้ยิ่งใหญ่นะแต่จะถึงจุดนั้นตัวเองต้องบริสุทธิ์ก่อนนะครับนี่คือสิ่งที่ฝากกับพี่น้อยวันนี้นะครับจากตบทสุสรยุปอยายะที่47ถึงอยายะที่51วบิลลฮิตอฟีวันฮิดายะอัสสลามุอะลัยกุมวะราะมุตุลลอฮิวะบะรากาตุ